เช้านี้เป็นเช้าแรกของการเดินธรรมยราเป็นเช้าที่อากาศสบายเย็นสบายเรือนกับว่าจะอวยชัยให้พร กับพวกเราในการเดินทางครั้งนี้หลายคนอาจจะไม่เคยมาเดินธรรมยานกลางมาก่อนแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยนะที่ได้มาเดินได้เคยเดินแล้วก็เดินหลายครั้งแล้วด้วย ธรรมยาตราจะหมายความว่าอย่างไรอันนี้ก็อยากจะชี้แจงแล้วก็เป็นการย้ำเพื่อว่าการเดินของเราะจะได้เกิดประโยชน์ธรรมยาตราเนี่ยก็แปลว่าเดินเพื่อธรรมะเป็นการเดินด้วยธรรมะ และเมื่อเราเดินเพื่อธรรมะเดินด้วยธรรมะการเดินของเราก็จะอยู่ในธรรมะด้วยเดินเพื่อธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรเนี ว, ว่าธรรมะเนี่ยหมายถึงความถูกต้องความดีงามและความจริง เช่นคำว่าจริยธรรมนะศัจธรรมเนี่ยก็หมายถึงความดีงามหมายถึงความจริง่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้ น, นกับธรรมชาติธรรมชาติก็กำลังถูกทาลายลงไปเรื่อยๆ จนสูญเสียความเป็นปกตินะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรารับรู้ได้ทั่วไปแล้วก็สามารถจะเห็นได้ตลอดเส้นทางที่เราเดินในช่วงเจ็ดดวันนี้ป่าถูกทำลายนะน้ำก็เน่าเสีย สัตว์ปาก็สูญหายไปดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนสนะิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะแต่มันเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ที่จริง มนุษย์ก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติมาช้านานเป็นเวลานา น, านทีเดียวเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราอยู่ร่วมกับธรรมชาติฉันมิตรปฏิบัติกับธรรมชาติสเสมือนผู้มีพระคุณหรือว่า นับถือเหมือนกับเป็นแม่ก็สามารถจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแม้ว่ามนุษย์เราจะไม่ร่ำรวยนักนะแต่ว่าก็สามารถจะอยู่ได้อย่างราบรื่นกลบกลืนธรรมชาติก็ ยังคงทั่งพร้อมบริบูรณ์สามารถที่จะรอเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ได้อันนี้เพราะมนุษย์เรานะมีธรรมะนะปฏิบัติกับธรรมชาติด้วยธรรมะนะไม่มุ่งเดียดเบียนมีความเคารพมีความกตัญญู แล้รู้จักพอเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยธรรมชาติได้สูญเสียสมดุลไปก็เพราะว่าเราได้ออกจากทำนองครองธรรมที่ควรเป็นอันนี้ก็เรียกว่าเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น กับธรรมชาติเกิดความไม่ถูกต้องขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติหรือพูดยานะคือว่าเราไม่มีความเป็นธรรมไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ให้ความถูกต้องกับธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ความเดือดร้อนนะที่จะตกกับมนุษย์เราแล้วก็ลูกหลานของเราด้วยอาการที่ลูกหลานของเราหรือว่ายุวชนอนุชนรุ่นหลังต้องมารับกรรมเช่นน้ำท่วมฝนแรงอากาศเป็นพิษเพราะการกระทํา ของเราหรือคนรุ่นเรานี่มันก็เป็นความไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่งนะที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือที่มาของธรรมยา ต, ตราหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนซึ่งเป็นอดีตเจ้า ว, วาดนะที่ วัดปูาทองนี่แหละที่นี่แหละนะท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางเวลวร้ายที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติสมัยที่ท่านมาใหม่ๆมันมีป่าเขียวรกรึมอากาศก็เย็นสบาย พื้นดินก็อุดมเต็มไปด้วยโอชะนะคือปุ๋ยต้นไม้ก็ใหญ่สิงสารสัตว์ก็มากมายช้างป่าก็มีันเป็นฝูงฝูงนะแต่ว่าภายในเวลาไม่ถึงสิบปีนะปา่าพื้นใหญ่ๆก็ผูกโค้นลง น้ำก็เริ่มตื้นเขินแล้วสัตว์ป่าก็สูญหายแม้แต่ช้างก็ต้องอพยพห น, นีภัยนะไปเขาลูกอื่นตอนนี้ก็ไปก็มีที่เดียวที่เหลืออยู่ในบริเวณแถวนี้ก็คือแถวทุ่งกำมังนะก็อยู่ในเขตชัยปูเหมือนกัน การเดินธรรมยาตา n เนี่ยเราเดินเพื่อฟื้นฟูนะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับธรรมชาติและในระดับกันก็ฟื้นฟูธรรมะขึ้นในใจเราด้วยนะการที่มนุษย์เราสร้างความเดือดร้อนกับธรรมชาติเนี่ย มันก็เกิดจากการที่ธรรมะในใจของเรานะได้แลรเปลี่ยนไปได้สูญสลายไปนะจากความเคารพเกือเ่อเกื้อเกูกลธรรมชาติก็กลายเป็นความคิดที่จะเอาปรัเอาเปรียนนะบุ้งเบียดเบียนเพราะเต็มไปด้วยความโลภเป็นธรรมชาติเป็นแค่วัตถุที่จะมา สนองความต้องการของเราไม่ใช่แค่สนองความจำเป็นนะแต่สนองความต้องการซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็เพราะว่าเราอาจิตใจของเราได้คลาเคลื่อนนะจากธรรมะไปคลายคลื่อนจากความถูกต้องไปการเดินธรรมยานจะไม่ใช่เดินเพื่อธรรมชาติภายนอกเพื่อปากเขา เพื่อลําห้ยเพื่อสิงสารสัตว์ที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นแต่ว่าเพื่อฟื้นฟูธรรมะในใจเราเพื่อให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติแท้ในใจเราใจริงธรรมชาติในใจเรากับธรรมชาติภายนอกก็ ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะธรรมชาติตัวเรากับธรรมชาติภายนอกขันห้านะที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราหรือที่เรียกว่าเราเนี่ยหรือเรียกว่าตัวฉันเนี่ยนะมันก็ไม่ได้แยกจากขันห้าที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นธรรมชาติ ร่างกายของเราที่ประกอบไปด้วยธาตุสิหรือธาตุห้าเนี่ยหรือธาถ้าภรษาสมัยใหม่ก็ประกอบด้วยคาร์บอนแคลเซียมโพแทสเซียมไนโตรเจนมันก็ไม่ได้แยกจากธาตุที่ประกอบกปนขึ้นมาเป็นธรรมชาติรอบตัวเราจตว่าไปแล้วเนี่ย ก็เปลี่ยงเหมือนกับอากาศในขวดแก้วนะกับอากาศที่อยู่นอกขวดแก้วเนี่ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าขวดแก้วเนี่ยนะมันขังเอาไว้มันเป็นตัวแบ่งเป็นพราะความไม่รู้ของเรานะก็ทำให้เราเห็นว่าเรากับธรรมชาตินี่มันคนละอันกันคนละส่วน อวิชาที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยก็คงไม่ต่างจากขิ้แก้วนะที่มันขวางกั้นไม่ให้อากาศภายในขวดไปสัมผัสรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศภายนอกแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสัจธรรมนะพ้นจากอาวิชาก็มันก็ว่าแก้วมันแตก อากาศภายในขวดก็จะกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศภายนอกอันนี้คือสภาวะของผู้ที่ท่านรู้ทรรรู้ทำอย่างแจ่มแจ้งก็จะเห็นต่ต่ังชัดว่ามันไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเรากับธรรมชาติสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามนไม่ได้แยกแยธรรมชาติมันเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติหนึ่ง นี่คือความจริงที่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นเราตระหนักก็จะเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเกิดความรักเกิดความเมตตานกับธรรมชาติเพราะไม่มีเส้นแบ่งต่อไปเนี่ยแล้วก็ตามแม้เราจะยังไม่สามารถจะ เข้าถึงภาวะเช่นนั้นได้ตะเพียงแค่เราสามารถจะฟื้นฟูธรรมะขึ้นมาในใจเราเราก็จะรู้สึกสำนึกในบุญคุณธรรมชาติแล้วก็อยากจะปกปักรักษาอันนี้เป็นเป้าหมาย นะของธรรมยารานะโดยเบื้องต้นเราเดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมความถูกต้องให้เกิดขึ้นกับธรรมชาติพูดง่ายคือเดินเพื่อปกป้องอนุรักษ์ธรรมชาติแต่เลื่อกลงไปกันนั้นเนี่ยเดินเพื่อฟื้นฟูธรรมะขึ้นในใจเราหรือเพื่อ ฟื้นฟูนนอนุรักษ์ธรรมชาติในใจเราด้วยนะไม่ให้มันสูญเสียไปด้วยอำนาจของตันหานะของอกิเลสนะซึ่งตอนนี้มันเกิดขึ้นมากนะเพราะอำนาจของบริพนิยมนะวัตถุนิยมเนี่ยที่มันทำให้เราทำให้กิเลสตันหานี่มันข่บงำจิตใจของเราจนธรรมชาติในใจเราเสียไปนะ อันนี้เมื่อเรานอกจากการเดินเพื่อธรรมชาติหรือเดินเพื่อธรรมะอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราเดินด้วยธรรมะด้วยนะเดินด้วยธรรมะธรรมะคือความถูกต้องนะเพื่อเป็นรูปธรรมก็คือเดินด้วยใจที่สงบเดินด้วยความสงบสำรวมเคารพธรรมชาติ เดินด้วยใจที่มีเมตตาปรารถนาจะให้ธรรมชาติเนี่ยได้กลับมาคืนดีกลับมาเป็นปกติเดินด้วยความสุกตันอยู่รู้คุณธรรมชาติาเทั้หมดนี้คือธรรมะงั้นถ้าเราเดินด้วยธรรมะอย่างนี้เนี่ย การที่เราจะช่วยกันปกปัก อ, น, อนุรักษ์ธรรมชาติเกิดขึ้นได้เมื่อเดินแต่ละครั้งเดินแต่ละก้าวเนี่ยเราได้ความเดินด้วยความสุดอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ปรารถนาที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นให้กับธรรมชาติไม่ใช่แค่เวลาเดินเท่านั้นแต่กระทั่งเวลาเราค้างแรมนะเวลาเรา กินนอนนะในแต่ละจุดแต่ละจุดเราก็สำนึกว่าเรามาเป็นเพียงผู้เยี่ยมเยือนเป็นอาคันตุกะเราจะไม่สร้างภาระเพิ่มขึ้นให้กับสถานที่ไม่สร้างภาระให้เกิดขึ้นกับธรรมชาตินะแม้จะมีขยะแม้จะมีสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นก็ ก็ดูแลรักษานะให้เป็นที่เป็นทางนั่นะทำใหัตตาเราเดินด้วยความรู้สึกแบบนีนะ้ไม่ใช่เดินเที่ยวเดินสนสนาแล้วก็ทิ้งขยะหรือว่าสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับธรรมชาติและชุมชนนะที่เราได้พักอาศัยหรือว่าได้เดินผ่านในความสุบสมัมพันธ์ในระหว่างการเดิน นะไม่พูดไม่คุยนะอันนี้เป็นหัวใจการเดินธรรมยตาก็ว่าได้เราไม่ได้เดินขบวนเราไม่ได้เดินพาเล่นะเราเดินด้วยธรรมะแลนะธรรมะนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เกือนแผลไม่เพียงแต่มีต่อธรรมชาติเท่านั้นแต่ว่ายังเกื่อนแผลต่อผู้ร่วมเดินด้วย ก็คือเดินด้วยความรักความเมตตาต่อเพื่อนร่วมเดินนะเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันแม้ว่าเราจะเป็นวความสงบเราไม่พูดไม่คุยกันนะแต่ว่าหัวใจของเรานะมีความรักความเพื่อเฟื้อเกื้อกูลนะต่อเพื่อนร่วมเดิน อันนี้เรว่าเดินด้วยธรรมะและเมื่อเราเดินเพื่อธรรมะเดินด้วยธรรมะแล้วเนี่ยการเดินของเราจะอยู่ในอารักขาของธรรมะด้วยธรรมะจะคุ้มครองเราธรรมะจะดูแลเราไม่ใช่ธรรมะคือธรรมชาติเท่านั้นแล้วธรรมะใ น, ในใจของชุมชนของชาวบ้านสองข้างทางนะ เขาจะดูแลเอื้อเฟื้อเราสิบห้าปีที่ผ่านมาสิบห้าครั้งที่ผ่านมานะชาวธรรมยตราไม่มีคำว่าอดอยากนะไม่มีคำว่าหิวโหวยเพราะว่าผู้คนสองข้างทางก็จะเลี้ยงดูเราแม้กระหายน้ำนะ สองข้างทางก็จะมีน้ำนะคอยจับกระหายของพวกเราอันนี้เรียกว่าเพราะอันนี้เรียกว่าเราอยู่ในอารักขาของธรรมะอารักขาของธรรมชาติรอบตัวเราที่ให้ร่มเงานะให้น้ำท่ากับเรา แล้วก็ธรรมะในใจของชาวบ้านผู้คนทั้งที่อยู่สองข้างทางและที่อยู่ไกลออกไปบางคนก็อยู่ไกลนะถึงชายภูมิบางคนก็อยู่ไกลนะถึ ง, งกรุงเทพเนะก็มีน้ำใจถึงให้ให้กับเราเพราะอะไรเพราะว่าเร า, นะ เ, เ, รรเราเดินเพื่อธรรมะเราเดินดะ้วยธรรมะนั่นนี่คือเหตผลนะที่เราใช้การเดิน เราใช้การเดินทำไมถึงไม่นั่งรถนะเพราะว่าการเดินเนี่ยเป็นวิธีการเก่าแก่นะที่มีพลังมากเมื่อเราเดินนะเราก็จะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วเราก็จะรับรู้ว่าเมื่อธรรมชาติถูกทำลาย มันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราเดินกลางแดดเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความทุกข์นะแล้วเราจะตระหนักเลยว่านี่เป็นเป็นโทษอย่างหนึ่งนะของการที่ตัดไม้ทำลายป่าเรามาสัมผัสนะกับความทุกข์ด้วยตัวเองสมัยที่เรางพาะคำเขียนนะท่านอยู่ที่นี่สามสิบสี่สิบปีก่อน เดินจากนี่ไปพระไปสุกโตท่านบอกว่าแทบไม่เจอแดดเลยนะธรรมชาตินี่ปกปักให้ร่มเงาตลอดทางธรรมชาติไม่ได้เพียงแต่ให้อาหารให้น้ำให้อากาศแต่ยังให้ร่มเงาแต่เมื่อเราตัดต้นไม้นะทำลายปา่านะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออากาศที่ร้อน แดดที่แรงเราไม่รู้สึกนะว่ามันเป็นปัญหายังไงหากว่าเรานั่งเครื่องบินหรือนั่งรถติดแอรงแต่พอเราลองเดินเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้นี่คือปัญหาแล้วเราจะรักร่มเงามากเราจะขอบคุณร่มเงาทุกครั้งที่เราเดินผ่านหรือได้พักผินเราจะรักต้นไม้มากขึ้นคนที่เดินธรรมายาตาทั้งทุกทุกปีนี้ เมื่อเดินเสร็จก็จะรักร่มเงารักมเมฆนะรักตน้นไม้เพราะมันช่วยปกปักนะไม่ให้ต้องทุกร้อนนะจักแดกเราเดินธรรมยตรานะทำให้เป็นการปลุกสร้างความตื่นตัวให้กับผู้คนนะว่าทำไมเราถึงต้องมา มาลำบากแบบนี้การที่เราเรียกร้องสร้างความตื่นตัวยอมเป็นปากเสียงของธรรมชาติคำพูดของเรามันจะมีน้ำหนักถ้าว่าเราพร้อมที่จะเหนื่อยเราพร้อมที่จะลำบาก เวลาเราเรียกร้องอะไรก็ตามแล้วเราพร้อมที่จะลำบากเพื่อสิ่งนั้นนั่นแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีความหมายต่อเรามันเป็นเรื่องที่เราจริงจังมากถ้าเราบอกว่าช่วยกันปลูกป่าช่วยกันรักษาธรรมชาติอยู่ในห้องแอร์อยู่ในศูนย์การค้านะคําพูดของเราไม่ค่ายมีน้ําหนักนะ ถ้าเราบอกช่วยประหยัดน้ำนะแต่อยู่ในโรงแรมนะที่มันใช้น้ำเยอะมากเนี่ยคำพูดของเรายิ่งไม่มีความหมายแต่ถ้าเรานะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆหรือว่าผู้ท้าผู้แก่เดินกลางแดดนะเหนื่อยแต่ว่ายังยืนยันนะเรียบร้อยให้ผู้คนได้หันมาตื่นตัวอันุรธัธรรมชาตินั่นแสดงว่า เราจริงจังนะนั่น น, นให้เป็นการให้น้ำหนักนะกับคำพูดและคำวิงบอลของเรานะอันนี้แหละที่ทำให้ชาวบ้าน เ, นเขาหันมาสนใจนะหรือว่ามาร่วมนะการอนุรักษ์ธรรมชาติกับเรา และการเดินเนี่ยนะมันยังมีประโยชน์กับเราด้วยนะมันเป็นการปฏิบัติธรรมนะอย่างหนึ่งเมื่อกี้ได้บอกว่าเราเดินวัตถุประสงค์งหนึ่งก็คือเพื่อฟืน้นฟูธรรมะในใจเราฟืน้นฟูธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ในวัดหรือว่าอยู่ในกฎเกนะ เราสามารถจะปฏิบัติทมกลางแดบได้เมื่อเราเดินอย่างมีสติเดินด้วยความสงบสํารวมใจอยู่กับปัจจุบันมันจะช่วยทำให้เราได้เห็นความจริงบางอย่างในใจเราที่เราอาจจะไม่เคยนึกคิดว่ามันมีมาก่อนและถ้าเราเดินไปเราจะพบความสุขความเย็นในใจ ซึ่งก็จะเป็นเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะที่หลายคนไม่คิดว่ามันเป็นไปได้โดยกลางแดดนะกายก็ร้อนแต่ว่าใจไม่ร้อนนะแม้ว่ากายเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยมันเป็นไปได้อย่างไรหลายคนพบว่ามันเป็นไปได้เมื่อเดินอย่างมีสติเดินอย่างสงบสรวมโดยได้ดยสมาธินะแล้วนี่แหลยที่ทำให้คนนะได้พบนะ กัรศกยภาพนะที่ไม่เคยนึกว่าจะเจอและมันจะช่วยทำให้เรามั่นใจมั่นคงในธรรมะช่วยทำให้ธรรมะในใจเราจเจริญงอกงามมากขึ้นเรื่องนี้เราก็จะพูดกันต่อๆไปก็กลายเป็นว่าการเดินธรรมยาตานี่เป็นการเดินทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือธรรมชาติคือป่าเขาลำห้วยสิงสารสัตว์ทั้งหลาย ประโยชน์ตนก็คือนะการฟื้นฟูนฟนธรรมะในใจเพื่อเราจะพบกับความสุขความสงบเย็นในใจของเราพูง่ายคือเราเดินเพื่อความสุขความสงบเย็นของธรรมชาติและเดินเพื่อความสุขและความสงบเย็นในใจเราช่วงนี้เนี่ยมันมีการ นะประชุมระดับโลกนะเราคงทราบเริ่มงตั้งแต่เมื่อวานที่กรุงปารีสนะปารีสนนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เป็นจุดสนใจของทั้งโลกก็มีการประชุมขั้นซัมมิตนะผู้นําระดับโลกนะทั้งโลกเลยเนี่ยมาประชุมประชุมเรื่องโลกร้อนนะหรือเทียบเป็นทางการว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก เป็นเรื่องสำคัญระดับโลกเพราะว่าตอนนี้โลกที่กำลังร้อนร้อนขึ้นร้อนขึ้นปีนี้เนี่ยร้อนกว่าทุกปีเท่าที่เคยมีบันทึกมาในประวัติศาสตร์โลกและช่วงปีหน้านะปี259ก็จะร้อนกว่าปีนี้แล้วก็จะร้อนกว่าทุกปีในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยบันทึก แล้วก็เชื่อว่าปี60ก็จะร้อนกว่าทุกปีเท่าที่เคยบันทึกรวมทั้งร้อนกว่าปีนี้และปี59ด้วยนั่นแปลว่าโลกกําลังร้อนมากขึ้นไม่ได้ร้อนอย่างเดียวแล้งด้วยไม่ต้องดูข่าวที่ไหนนะถ้าสังเกตเราก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองนี่เป็นปัญหาระดับโลกนะที่คนทั้งโลกนี่นะมา ประชุมกันนะที่ปารีสอันนั้นก็เป็นคนใหญ่คนโตคนมีอำนาจแต่ถึงแม้เราจะเป็นคนเล็กคนน้อยมันก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันนะเชื่ช่วยกันฟื้นฟูนฟนโรคเนี่ยให้กลับมาร่มเย็นนะปีนี้เราชนะูประเด็นเรื่องพลิกฟื้นไทยให้ชุ่มเย็นนะ เราไม่ได้นึกไปถึงระดับโลกนะที่ปารีสนี่ก็กําลังช่วยกันนึกว่าลังคุออยกันว่าเนี่ยเราจะทําให้โลกนี่กลับมาร่มเย็นนะได้อย่างไรหรือน้อยร้อนน้อยลงได้อย่างไรแต่เรานี่คิดแค่เฉพาะเมืองไทยแต่พูดถึงเมืองไทยมันก็ยังกว้างไปได้ซ้ำนะตอนนี้เราก็จริงๆเราก็มาเน้นที่นะลำปะทาว เราเห็นถึงปัญหาระดับโลกแต่ว่าเราทาเฉพาะจุดที่เราทาได้หรือใกล้ตัวที่สุดนะอันนี้มันเป็นหลักที่เราควรทำกันนะตระหนักถึงปัญหาระดับโลกหรือมองปัญหาระดับโลกแต่ว่าลงมือทำในระดับท้องถิน่นหรือในจุดที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดแม้เราเป็นคนเล็กคนน้อยไม่มีอำนาจนะอย่างพวกที่ประชุมกันที่ปารีสนะแต่เราก็ สามารถที่จะทำอะไรได้อีกมากมายตามกำลังของเราเลยเพราะเมื่อเราร่วมมือกันนะจะมีคนมาสมทบเดินกับเรามากขึ้นเรื่อยๆที่จริงคนเล็กคนน้อยนี่ก็ไปที่ปารีส ก, กันเยอะนะหลายคนไปประท้วงนะถูกจับกันไปหลายคนนะแต่ว่าเราทำอีกแบบนะอาการช่วยรักษาโรคนะฟื้นฟูนฟนโลกนี่ทำได้หลายอย่าง บางคนก็บวชต้นไม้บางคนก็เอามือออกอกกอดต้นไม้ไม่ให้ต้นไม้ถูกตัดเขาใช้ร่างกายโอบกอดต้นไม้เขาใช้ผ้าเหลืองผูกบวชต้นไม้นะแต่ว่าเรานี่จะใช้เท้าเดินแต่ก็อยากจะย้ำนะว่าเดินธรรมยาตานี่เราไม่ได้เดินด้วยเท้านะเดินด้วยเท้าอยู่แต่สิ่งสำคัญอยู่กาเดินด้วยใจ หลายคนเนี่ยมีความวิตกว่าจะเดินได้ไหมเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกกลาลังกายนะร่างกายไม่แข็งแรงนะ <c oughs> ก็อย่าห่วงนะ <c oughs> เพราะว่าสิ่งสำคัญนะ <c oughs> ที่เราใช้ในการเดินธรรมยาตาเนี่ยก็คือใจ <c oughs> เราเดินด้วยใจ <c oughs> มากกว่าเดินด้วยเท้า <c oughs> เดินด้วยเท้าแต่ถ้าใจไม่สู้ หรือวางใจไม่เป็นนะก็จะเดินไม่ได้นานเพราะร้อนนะเพราะว่าเหนื่อยที่จริงไม่ใช้เหนื่อยกายนะเหนื่อยใจแต่คนไม่แยกย่านไม่เคยออกนะว่าที่เหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยใจหรือเหนื่อยกายไปที่ว่าเหนื่อยกายที่จริงไม่ใช่เหนื่อยจะเหนื่อยใจมากกว่าเพราะวางใจไม่เป็นเพราะไม่เดินอย่างมีสติแต่ถ้าเดินเป็นนะ คือเดินด้วยใจเนี่ยแม้จะเป็นเด็กนะปีที่แล้วนี่เด็ ก, กอายุห้าขวบนะชื่อมีนา เ, นเดินตลอดทางเลยแม้บางวันจะเดินถึงยี่สิบกิโลนี่แกก็เดินนะไม่ยอมขึ้นรถแดก็ร้อนอันนี้เรียกว่าเธอเดินด้วยใจทนะ้งที่ร่างกายนี่อ่อนแอกว่าผู้ใหญ่หลายคนผู้ใหญ่บางคนไม่ไหวไม่ไหวขอขึ้นรถนะ เพราะเขาไม่ได้เดินด้วยใจเ็เดินด้วยเท้าเนะขาเข้าใจแบบนั้นแต่เด็กเล็กๆอย่างหลายคนยังมีนาเนีย่ยเขเดินด้วยใจก็าึงเดินได้ตลอดทางเกือบร้อยกว่ากิโลแทบจะไม่ได้ขึ้นรถนะพวกเรา น, น่าจะเป็นผู้เท่านะถ้าวางใจถูกวางใจเป็นเนี่ยจะเดินได้ดีกว่าหนุนสาวด้วยซำถ้าว่าหนุนสาวนั่นเดินนะ เดยท้าไม่ได้เดินด้วยใจเดินด้วยใจคือเดินไม่ใช่แค่ใจสู้เท่านั้นนะต่ว่าใจมีสติด้วยใจมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมเดินจิตกุศลนั่นแหละนะที่เพิ่มพลังให้กับกายของเราที่ทำให้เดินได้เพราะนอยากให้กำลังใจนะพวกเรานะที่หลายคนไม่มั่นใจว่าจะเดินได้ไหมเดินได้แล้วก็จะเดินได้ดีแต่ว่าต้องใช้เวลาปรับตัวนะสองสมวันแรก ใช้เวลาปรับตัวสักหน่อยแล้วก็จะไปได้ถึงวาสุดท้ายก็อาจจะแปลกใจว่านี่เราเดินได้มาถึงนี่เฉเห้อหรือว่าอาจจะสงสัยนี่เราจบแล้วหรือเนี่ยอยากจะเดินต่อนะเพราะว่าเครื่องเดิมร้อนแล้วเราก็มีหลายกลุ่มนะเดินต่อนะเราก็จะมีชึกต่อรุ่งมรุ่ทุกปีนี่จะมีชึกต่อนะเพราะว่า อยากจะเดินต่อนะันั้นอยากให้ความั่นใจพวกเรานะว่าแม้ว่าเราจะอายุมากหรือบางคนอาจจะเด็กแนตะ่ให้ตระหนักว่ามันอยู่ที่ใจไม่ที่เท้าไม่ที่ร่างกายวางใจให้เป็นนะก็จะเดินได้อย่างมีความสุขนะแล้วก็จะท้าทายตัวเองมากขึ้นเรื่อย คือจะยอมลำบากมากขึ้นเรื่อยๆเพราะพบว่าความลำบากทางกายมันไม่ใช่อุปสรรคสำคัญเมื่อเราวางใจถูกเราก็จะค่อยๆพูดกันไปนะค่อยๆเรียนรู้กันไปในระหว่างการเดินเจ็ดแวฟันสำหรับคนที่เป็นลูกศิลุ์หลวงพ่อมเขียนนะั้นก็ให้ตระหนักว่า แม้ว่าหลวงพ่อท่านจะจากไปแล้วนะแต่ว่าการเดินนะครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็กทำให้เราได้รู้สึกได้ใกล้ชิด ก, กับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านได้มามาร่วมเดินกับเรานะมาตั้งแต่ปีแรกนะปีสี่สาเพราะว่าท่านเป็นผู้รเริ่มนะ การเดินครั้งนี้ก็จะเป็นการเดินตามรอยท่านนะท่านเดินนําหน้าเราเดินตามรอยท่านตามรอยทั้งในทางนามธรรมนะแล้วก็ในเชิงรูปธรรมตามเลยตามรอยเชิง น, นามธรรมคือว่าเดินนะปฏิบัติตามคําสอนของท่านนะท่านเป็นผู้ทีู่้ทิศตนเพื่อธรรมชาติ และท่านก็รักษาป่ารักษาธรรมชาติมาได้จนเราได้รับประโยชน์ได้รับอ น, นิสงฆ์ท่านเริ่มเ ร, ริ่มญยาตาด้วยเนะมื่อเรา ม, มาเดินก็เหมือนกับว่าเราเดินตามรอยท่านสืบทอดเจตนารุณ์ของท่านแล้วก็จะเป็นการเดินตามรอยท่านในรูปรธรรมด้วยเพราะว่าเช้านี้เราจะไปเดินนะไปยังจุดที่หลวงพ่อในท่านเคยเดินสมัยที่ เขานี่ยังไม่มีถนนนะท่านขึ้นมาบนเขาอย่างไรท่านเดินลงเขาอย่างไรเราก็จะเดินตามรอยท่านไป้วก็เป็น <c oughs> เป็นอ่าส่วนที่เสริม <c oughs> เติมเข้ามาสำหรับผู้ที่มีความเคารพนับถือหลวงพ่อจะท่านเ่ง ก, ก็ได้มาเรียนรู้ปอะวัาศาสตร์ของ บนหลังเขานี้ได้เหมือนกันนะจากการเดินในเช้าวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันเดินธรรมยาตราครั้งแรกนี่เรามาสิ้นสุดกันที่นี่นะวัดภูเขาทองจะเดินธรรมยถาตราครั้งนี้ครั้งล่าสุดเราจะมาเริ่มต้นกันที่นี่แล้วก็จะเป็นการเรียกว่า อาศัยที่นี่อาศัยคําคสอนหลวงพ่อนี่เป็นเครื่องเสริมสร้างสิริมงคลให้กับพวกเรานะเพื่อที่จะได้เดินทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นพลเรือโลกนะที่ต้องใส่ใจอนุรักษ์โลกได้ในฐานะนักปฏิบัติธรรมที่ต้องใส่ใจการฟื้นฟูธรรมะ ใ, ในใจเรา สริมงคลเลานี้ก็จะก็ะช่วยทำให้เราเดินทางได้สำเร็จทำหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนตลอด8วันนี้นะก็ชานี้ก็ข อ, อแนะนำเกริ่นนำเท่านี้อาจารย์ี่ไปก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมนะเพื่อทำให้เราการเดินของเรานี่เป็นเป็นเนไปได้ดีนะแล้วก็เป็นหมู่คณะเชิญนึ่ง